ปัปฐมเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่หนึ่งห0 1 4เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าเะนั้น ลำดับนั้นเทพชั้นดาวดึงจํานวนมากเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 สองการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไห้ในพระธรรมสามการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไห้ในพระสงฆ์สี่การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ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 สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปฐมเทวจาริกสูตรที่8จบ